เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพุทธพท์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีได้ข้อความจากจุลกรรมวิพังกะสูรมุมมองอันควรได้จากพุทธพท์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 วิญญาณแรกมาปรากฏในคันมารดาจนกระทั่งถึงมรณะจากตัติยะปาราชิกสิกขาบทความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยข้อความจากปุญกักมานาวกักปัญหานิเทศพึงเข้าใจว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้น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 คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ้ำา 2. ไม่รักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ำา 3. ไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื่อสัตว์ต่อกันด้วยซ้ำา 4. ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำา 5. ไม่เสพสุรายาเมา แต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ำยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไหร่ยิ่งอยากทำเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหนใจยิ่งสะอาดและพอกภูลมโนธรรมติดตัวยิ่งยิ่งขึ้นแค่นั้นกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรม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 ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมาณได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านท่านต้องเคยทำกรรมอันสมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใช่จูจ่ๆก็มีสิทธ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมาแมวนกที่สั่งสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อนเลี้ยงลูกด้วยความปราณี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 เอาแต่ได้แล้วจะเหมือนขาดขนาดเอาเท่าไรก็ไม่พอ